สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิียพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเปเ ย, ยชูตอนที่สองร้อยห้าสิบสี่เรื่องคําอธิษฐานของเปเยชูครั้งที่ยี่สิบเก้าครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปถึงเนื้อาหาในเช้าวันนี้ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าขออนุญาตทบทวนนิดหนึงนะครับขออนุญาตทบทวนนิดหนึ่งในเรื่องของการอธิษฐานตามแบบที่พเปเยชูทรงตรัสสอนนั้นพี่น้องครับ ในเนื้อหาสาระคำทูลขอมีทั้งสิ้นเจ็ดคำทูลขอด้วยกันนะครับเจ็ดคำทูลขอด้วยกันคำทูลขอแรกก็คือขอให้พระนามของพรงเป็นที่เคารพสักการะคำทูลขอที่สองก็คือขอแผ่นดินของพงระตั้งอยู่คำทูลขอที่สามก็คือขอให้เป็นไปตามพระไทยของพรงคำทูลขอที่สี่ก็คือขอทรงปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทุกหลาย คำทูลขอที่ห้าก็คือขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์คำทูลขอที่หกก็คือขออย่านำข้าพระอง์เข้าไปในการทดลองคําทูลขอที่เจ็ดก็คือขอให้ทนจักซึ่งชั่วร้ายเพียงซับในเจ็ดคำทูลขอนี้สามคำทูลขอแรกนะครับก็คือเกี่ยวขอ้ององค์พระผู้เป็นเจ้าครับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือขอให้พระ น, นามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอแผ่นดินของพระองค์ประทังอยู่ขอยห้เป็นไปตามพระไทยของพระองค์และวันนี้จะพูดถึงเรื่องของคาสรุปย่อยครับก็คือว่าที่ว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าในสวรรค์เป็นอย่างนี้อย่างนั้นคําตอบก็คือรู้จากพระกัมภีร์ครับในเมื่อพระกัมพีได้พูดชัดเจนนะครับว่า ในหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเรารู้นะครับพระเจ้าก็จะบอกให้เรารู้เราทราบแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าปกปิดนะครับเราก็จะไม่มีทางร่วงรู้ได้เลยพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการสรุปตรงนี้ว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผน่นดินโลกก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผน่นดินโลก คำอาธิษฐานตามอยา่างพระเยซูนั้น <c oughs> ทุกๆคาขอครับมุ่งประเด็นไปที่พระเจ้าผู้ทรงประทานตามคำทูลขอพระเจ้าเป็นเจ้าของแห่งฟ้าสวรรค์ น, นะครับทาทูลขอแม้กระทั่งเกี่ยวกับตัวเราเองนั้นก็ยังต้องขึ้นอยู่กับพระองค์ครับเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานอาหารประจำวันแก่เราทั้งหลายพ ร, ร, รงทรงยกโทษการลูกและเมืดของเราและพรงเป็นผู้เดียวเท่านั้น ที่จะไม่นำเราเข้าสู่การทดลองโคงทรงเข้มแข็งพอที่จะปกป้องเราไว้ผลลัพการอ่านขานั้นเป็นการแสดงออกถึงการนมัสการในการเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมือนกับพระเจ้าไม่ใช่อยากจะเป็นพระเจ้านะครับแต่ให้เป็นผู้ที่เรียนแบบอย่างจากพระเจ้าเรียนแบบอย่างพระคริสต์เรียนแบบอย่างพระเยซู มีชีวิตอยู่ภายใต้การชงนำของพระเจ้ายังเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพียงครับเนื้อหาอีกประเด็นหนึ่งในเช้าวันนี้ก็คือเมื่อเรารู้ว่าการอธิษฐานนั้นทำให้เราได้แสดงออกถึงการน้ำสการการเข้าสู่กระบวนการชำระบริสุทธิ์เราต้องรู้ว่าการอธิษฐานนั้นไม่ได้มีไว้สาหรับเปลี่ยนแปลงพระเจ้าครับแต่ทางกับการเปลี่ยนแปลงเรา เราเคยสงสัยไหมครับว่าเราทูตสวรรค์เขาทำอะไรกันบนสวรรค์บางคนก็ตอบว่านมัสการพระเจ้าบางคนก็ตอบว่าบินไปบินมาบางคนก็มีความรู้ครับตอบว่าทูตสวรรค์นั้นเป็น messenger ก็คือผู้สื่อสารในผู้ส่อสารของพระเจ้านั่นเองเองพื่อนทุกเรามาดูนะครับในพระธรรมสุรีบทที่103ข้อที่20ครับ อันนี้พูดชัดเจนว่าท่านแต่ท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้สวรรค์ของพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าท่านผู้ทรงมหิชลิศผู้กระทําตามพอ ject ของพระองค์และฟังเสียงพอ ject ของพระองค์สุดีบทที่หนึ่งร้ยสามข้อยี่สิบนี้พูดชัดเจนนะครับว่าผู้สวรรค์ของพระเจ้ามีหน้าที่ในการถวายสาธุการแด่พระเจ้า ผู้สวรรค์เหล่านี้เป็นผู้สวรรค์ที่มีฤทธิ์และเป็นผู้ที่กระทำตามพระชนะของพระเจ้ามีความเชื่อฟังและในสุดนั้นเขาทําตามพระชนะของพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่อยากระทําตามพระไถยของพระองค์และถวายการถวายความจงรักภักดีอยู่ภายใต้การครอบครองขององค์พระผู้เจ้า ถ้า อ, อยากรู้ว่าผู้สวรรค์ก็ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างไรบ้างและการที่เราจะรู้ว่าจะเป็นอย่างไรหนอบนแผ่นดินโลกนั้นเราจะต้องรู้เสียก่อนว่ามันเป็นไปอย่างไรในสวรสวรค์นะครับผู้เชี่ยวชาแนนได้สรุปเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้สวรรค์ผ่านอยู่ในพระกัมภีนะครับปรากฏว่ามีอยู่ เรียกว่าผู้สวรรค์ทําตามน้ําันไทยของพระเจ้าอย่างไรมีอยู่แปดอาการครับการที่ทูตสวรรค์จะทําตามน้ําันไทยของพระเจ้าได้มีแปดอาการนะครับหรือขั้นตอในการทําวิธีการทํานะครับรวบรวมกันออกมาแล้วได้แปดอาการด้วยกันประการแรกครับพวกเขาหรือทูตสวรรค์ทําอย่างไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการโต้แยง้งในโลกนี้องค์พระมเจ้าทรงกระตุ้นและกระตุ้นอีกใช่ไหมครับ เราซึ่งเป็นมนุษย์นั้นก็ยังรรออยู่นั่นนะครับนะครับไม่ยอมออกมาถวายตัวเฉือทีหรือว่าไม่ยอมที่จะตัดสินใจในการทำบางสิ่งบางอย่างละบางสิ่งบางอย่างทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้สิ่งที่สำคัญที่สุดอันนี้เป็นประการแรกครับอย่าให้เราวีรอนะครับเราจะต้องทำเหมือนกับทูตสวรรค์ก็คือพวกเขารับใช้พระเจ้าโดยไม่มีวานเปลี่ยนแปลงแน่นอน ไม่มีการโต้แยง้งมีแต่ความเชื่อประการที่สองครับการที่เราจะเห็นว่าทุสวรรค์ทำงานนั้นทำอย่างไรครับประการที่สองเห็นชัดเจนครับว่าพวกเขานั้นทำอย่างเคร่งขัดไม่มีทางเลือกอื่นครับไม่มีช่องหวูไม่มีการละเวน้นเรืหอความสับพันธุูของพระเจ้าและการติดต่อสื่อสารฝ่ายวิญญาณระหว่างพระเจ้ากับคนที่ ทำงานครับประการที่สามครับทำด้วยความจริงใจทำด้วยความจริงใจมีความกระตือร้อนรอคอยคำสั่งต่อไปเพื่อที่จะรีบเร่งไปกัะทำงานที่รับมอบหมายสำเร็จเพราะฉะนั้นทูตสวรรค์เหล่านี้นะครับไม่เพียงแต่ทำนะครับเส ม, มอต้นเส ม, มอปลายไม่มีการโต้แย้งด้วยความเชื่อฟังนะครับ ไม่ว่าเขาจะทําอย่างเคร่งคัดไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีช่องโว่ไม่มีการละเว้นตอนนี้นะครับมาถึงตอนที่สามก็คือเขาจะต้องทําด้วยความจริงใจด้วยความกระตือร้นรอคอยคําสั่งต่อไปเพื่อจะรีบเร่งไปกระทําให้สําเร็จเห็นไหมครับนี่คืออุปนิสัยนะครับที่สําคัญก็คือทําด้วยความจริงใจประการที่สี่ครับทสมัรษทาด้วยความสมัครใจครับ พี่น้องอย่าลืม น, นะครับว่าตัวอย่างของทูตสวรรค์นั้นเราก็สามารถเรียนแบบมาใช้ได้นะครับประการที่สีนี่ทําด้วยความสมัครใจพี่น้องรู้ไหมครับว่ามีความปรารถนาหลายอย่างบนสวรรค์นะครับนี่คือการทําด้วยความสอัใจประการที่ห้าครับทําด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้า ทูตสวรรค์นั้นฮึ่เหิมในการกระทําตามน้ำัยของพระเจ้าครับพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทําให้น้ำใจของเจ้าสําเร็จการที่หกครับทําอย่างพร้อมสับคอมพลต์เรียบร้อยนะครับนี่คือฝีมือของทูตสวรรค์นะครับประการสุดประการที่เจ็ดครับพวกเขานั้นทําทันทีนะครับทันทันทีไม่มีการผัดวันประกันพุ่งนะครับไม่มีดินข้อขางหมู และสุดท้ายครับประการที่แปดทอย่างจม่อมเสมอทำอย่างจะม่อมเสมอนี่คือวิธีการทำงานกันอยู่ร่วมกันของทูตสวรรค์และเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าครับเขามีจอมเจ้านายอยู่เหนือหัวเลยครับเป็นทุกสิ่งที่อย่างในชีวิตของเขาที่รองครับ ในวันนี้ผมอยากจะนําไปถึงการประยุกต์ใช้ก็คือว่าแม้ว่าในพระธรรมสุดดีบทที่หนึ่งร้อยสามข้อยี่สิบนะครับผู้เป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้านะครับถวายคาทุกการแด่พระเจ้าทําตามพระวจนะของพระองค์ฟังเสียงของพระองค์รับใช้พระองค์ถวายท่านทำโมทนาสารเสริญพระองค์นี่คือสิ่งที่ทูตสวรรค์ทาครับ และเมื่อทูตสวรรค์ทาได้นะครับพี่น้องครับเราคิดว่าเราทำได้ไหยครับผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะเสริมกำลังที่พวกเราทั้งหลายทุกคนรวมทั้งผมด้วยนะครับที่เราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไม่เปลี่ยนแปลงและเราจะทำอย่างเคร่งครัดทำอย่างจริงจังและทาด้วยความจริงใจเราจะทำด้วยความสมัครใจเราจะทำด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้า เราจะทำอย่างพร้อมสั์นำร u r c e หรือนำทรัพยากรทั้งหลายมาประมวลมาประเมินและมาวิเคราะห์เพื่อที่จะให้เกิดผลดีในที่สุดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้ต่อไปก็คือเรื่องของการทำทันทีครับอย่าผัดบันประกันพุ่งเมื่อพระเจ้าทรงเวกไกรแต่ท่านชัดเจน ท่านควรจะออกมานะครับอย่าให้ความกังวลตามธรรมดาโลกนั้นผูกมัดไปนะครับทำให้ต้นไม้ก็จะไม่เข้มแข็งต้นไม้ก็จะเหี่ยวเฉาไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน